ในตอนตอนที่สองของอนันตตลกนะโสท่าที่พระพุทธเจ้าตรัสตามพระปัญจวัคคีว่าตั้งติงมันยถาพิตเทเวโลปังนิจังว่ะนิจังวาที่ <c oughs> ทุกอทั้งหลายรูปเวกนาสัญญาสังขารยัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอถ้าปัญจวัคคีจะตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าก่า จะจับตามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าควรตับจับเป็นทุกทข์ะเจ้าะ้าก็จับต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรียบเทวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอาตังมะมะนั่นเป็นเรา อเอโตหามิะเอโตหามัสมิเจ า, าเป็นนั่นเอโสเมอัตต า, านั่นเป็นตัวตนของเราพระปัญจวักคียก็ทูล ต, ตอบว่าไ ม, ไม่ควรเลยเพระเจ้าค่ะ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นการาส่งสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองคำสอนของพระองค์ในขณะนั้นเลยทีเดียว ว่าเห็นอย่างไรเห็นอย่างไรเธอเห็นอย่างไรตั้งจริงมันจะทักทิ้งไว้รูปปางนิจจังว่าอนิจจังว่าที่โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงลองคิดดูซิว่ารูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างมี้เป็นต้นนะครับว่าทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังลองตามและเห็นจริงทรงสอนทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจลองตาม ให้เห็นให้เห็นได้ด้วยตนเองอย่างนีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาใจจองนิดหน่อยเพื่อจะเห็นความสุขขมลุ่มเลึกของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดรสขึ้นเกิดรสขึ้นก็จะได้รับรสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า เราจะรู ed, ้สึกว่าไม่ม so, ีรถใดเสมอได้รถธทำหรือว <exemple> ่ารถแห่งธรรมยมเสนรถทั้งปวงสัพพายสังธรรมะโสทินาติรถแห่งธรรมยมเสนรถทั้งปวงสัพพายติธรรมะทินาติความยินดีในธรรมยมเสนความยินดีทั้งปวงก็ยินดีแล้วสงบเยือกเย็นเป็นสุขในจิตใจที่สงบเยือกเย็น มีทุกน้อยอย่างที่ผมพูดแล้วเมื่อวันอังคานที่แล้วนะครับ <c oughs> ทำ <c oughs> ทำให้เป็นคนมีทุกน้อยเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็มีผู้ไปนั่งซักถามผมอยู่เป็นชั่วโมงว่าทำอย่างไรทุกจึงจะไม่เกิดขึ้นนี้ก็ก็ตอบกันไป เป็นก็เป็นชัว่วโมงก็ผมก็รู้สึกดีใจว่ามีผู้สนใจในปนัญหานี้ในปนัญหานี้ว่าทําอย่างไรความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าหรือว่าความทุกข์เก่าที่มีอยู่จะหมดไปโดยอย่างด้วยาการอย่างไงด้วยวิธีการอย่างไรและก็ความทุกข์ใหม่จะไม่เกิดขึ้นส่วนมากที่เห็นถามๆกันก็ไม่ได้ถามอย่างนี้แต่ว่า จะถามเรื่องถอดกระถินถอดผาดป่าเถวายสังฆทานอะไรอย่างนั้นไปตามเรื่องในในวิทยุยอะไรที่ถามกันไปแต่ว่ามีผู้ที่มาคอยอยู่แล้วก็ถามเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์อย่างนี้ก็รู้รู้สึกว่าเป็นคําถามที่ตรงตรงกับหลักการของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเป็นบางที พระผู้มีพระภาคเล่าจัดว่าพิสุทังลายทั้งในการบัดนี้และในการกอดทั้งในการกรดและการบัดนี้เราสอนแต่เรื่องทุกข์แค่ความดับทุกข์เท่านั้นมีคนบางคนก็แย้งว่าเอ๊ะพระทำคำสอนของพระเจ้าทั้งมากมายแปดหมื่นสี่พันพระทำมาขันพระไตรปิฎกภาษาบาลีจีนพานล่ว อันจะทายอีกมากมายคิดเนหน้าหนังสือได้ 2, 2> <c oughs> สองสองหมื่นกว่าหน้าเรี่กเพราะพระใจดีตกทีนี้มีจะคําสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองย่างนี้ผมก็ตอบไปว่าเเปรือบเหมือนโรงพยาบาล <c oughs> โรงพยาบาลมีเรื่องมากมายมีกิจกรรมมากมายมีหมอมีแพทย์ มีขอโทษมีแพทย์มีนางพยบาบาลมีเครื่องมือแพทย์มียามีคนงานสารพัดอย่างมีเป็ดงีร่องอมากมายเพื่ออะไรจริงเหล่านั้นเพื่ออะไรจริงเหล่านั้นก็มีไว้เพื่อการดับทุกข์แล้วก็การเรียนการเรียนของนักเรียนแพทย์หรือว่าของหมอก็เพื่อไปดูว่าอ ะ, อะไรเป็นทุกข์โรค เป็นอย่างไรเกิดให้เกิดโรคเป็นอย่างไรแล้วก็จะดับโรคนั้นได้อย่างไรก็มีเท่านั้นแม้จะมีเรื่องอ่นอึดมากมายแต่กเ็เรื่องสําคัญก็มีอยู่สองเรื่องคือกาโรคกับการดับโรคทำอย่างไรโรคที่มีอยู่จะหมดไปโรคใหม่จะไม่เกิดขึ้นนี่นะครับวันนี้มาถึงประการที่สาม ทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจริยจ์จะสามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้เลยรับผลตามสมควรแต่กำลังใกนการปฏิบัติของตนของตนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงเป็นอุดมมัชฌิมิตทรงแสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจริย์ไม่สามารถจําเนี้ให้บปฏิหารเจอมาจากสมบัติปฏิหาร สามารถอย่างผู้ปฏิบัติตามไม่ได้รับผลตามสมควรแต่ทําลังเหมือนกันปฏิบัติของตนของตนไดก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นอุตมะีิทิตเอ้าตรงไมมอิทธิ์อันนี้ในพระสูตรท่านใช้ธรรมะสับปาธิอายะสับปาธิอาย์อย่างตํ ม, มังเดเสติโนโอัพปาธิอาริยะ เราผู้มีเราภาคนั้นทรงแสดงธรรมมีปาฏิหารไม่เคยทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหารข้อแรกนั้นเขาเรียกว่าอัิุญายะธรรมเทศนาเขาหนึ่งที่ว่าทรงสอนให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่คนรู้คนเห็นนะในว่าอภตุ ญ, ญายะธรรมเทศนาอัตุ ญ, ญายะโคโสภคาวาธรร ม, มังเดเสติโนอนัตุญายะ พระผู้มีประภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเย็นจริงไม่ใช่ทรงแสดงธรรมเพื่อความไม่รู้ไม่เห็นข้อที่สองนั้นทรงสอนให้ใหผู้ฟังลองตามไละเห็นจริงได้ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจลองตามไม่เห็นจริงได้ด้วยตนเองเรียกว่าสานิธรรมเทศนาสานิธานะสนิธานะธรรมเทศนาจะว่ามีมีต้นเงี้ย อมีต้นเหตุมีนิทานนะครับสามนิทานนะจะนิทานนะมีนิทานนิทานไม่ใช่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนิทานในภาษาไทยที่ว่ามีเรื่องเล่าอะไรนี้นะครับแต่ว่ามีมีเหตุมีที่ไปที่มามีเหตุผลสามนิทานัทำมังเดเสตินโนอนิทานนั้นทรงแสดงธรรมมีนิทานมีเหตุมีผล ยึที่ไปที่มามีต้นทีไม่ใช่ทรงแสดงธรรมอย่างไม่มีเหตุคนแต่ <c oughs> ทีนี้ปาฏิหารพูดถึงข้อทีถามด้วยว่าแสดงธรรมมีคุณเป็นหนัาเสกสรจจหรือมีปาฏิหาริในศาสนา น, นี้ท่านแสดงปาติหารเอาไว้สามอย่างคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าฤทธิปาฏิหารมีการแสดงฤทธต่างตาฤทธิปาฏิหารปาติหาริย์คือ การแสดงฤทธิ์ต่ตงตางๆอย่างอภิญญาอภิญญาห้านะครับก็เกีเ่ยวกับเรื่องฤทธิ์ต่ตางๆ ม, มากมายอย่าง น, าน้นบ้างอย่างมีม้บ้างโดยที่เป็นฤทธิ์โดยจงหรือการหยี่ฤทิ์ทธฤทธิ์ฤทธิ์ิทธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ตามตที่ตามที่ต้องการคนเดียวทาเป็นหลายคนหลายคนทาเป็นคนเดียว อดำดินออกเห็นเลยอากาศเดินบนน้ําได้มันเดินบนดินทํานองนี้ไม่ว่าสิทธิปาฏิาหาริย์ข้อที่สองก็อาเทสนาปาฏิหาริย์ดับใจคนได้ดับใจคนได้รู้ใจใครคิดอย่างไรใครไม่คิดอย่างไรอะไรก็รู้ใจคนอื่นแล้วข้อที่สามก็เรียกว่าอนุสาสนิปาฏิหาร การสั่งสอนที่เป็นอัศจรรันคือสามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรจกากกำลังแรงทันปฏิบัติของตนของตนและก็ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงเป็นอุ ด, ดมมาชิตเป็นหุตมมาวิต อ, อันนี้เป็ น, อ, ปนอนุสาสนีปฏิงานอนุสาสนีเทวพรหมสอน อันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงสรรเสริญทรงนิยมทรงนิยมปาฏิหารอย่างที่สามนี่แหละอันนีาสนามจะมีแล้วสองอย่างแรกคือที่ปาฏิหารก็ดีหาเทศนาปาฏิหารก็ดีก็ไม่ทรงไม่ทรงสรรเสริญไม่ทรงนิยมเห็นว่านักเล่นคนก็ทําได้หรือว่าคนที่มีวิชาบางอยาก็ทําได้นี่เป็นต้นนะครับ จะส่งไม่สรงแนะนำไม่สรงทัก่วนให้หมกมุ่นอยู่ในปฏิหานสองอย่างแรกแต่ว่าให้มาสนใจในอนุสาสนิปฏิหารคือคำสอนที่สามารถจะปฏิบัติตามแล้วได้รับผลดีได้รับผลดีล <c oughs> แต่สมมติว่ามีพระระกองหนึองออกมาลงที่สนามหลวง เขามาจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาลงที่สนามหลวงคนก็ไปดูกันใหญ่เลยไปดูแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็อุทิศวิจญาณ์กันว่าพระหอได้เลิงหน่อยท่านไปพักในที่ไหนคนก็ไปไปหาท่านเขาขอให้ท่านหอให้ดูทีนี้ก็ท่านก็จะไม่มีเวลาที่จะเป็น้องตัวเองมีแต่คนที่จะไปดูท่านออกแล้วจะแล้วตัวเองได้ประโยชน์อะไรบ้างที่ไปดูพระหอกจะดูเรือหอก็ได้ ภาษาทางต่างจังหวัดก็ได้เรือเหาะเอือบินนะครับเครื่องบินนะ่เออบินนะพาคนหาไปได้ทั้งเยอะแยะหมดเลยสองร้อยคนสามร้อยคนก็พาเหาะไปได้ไม่ใช้หาะได้ใน ต, ตัวคนเดียวนี่นก็เป็นอิทธยปาฏิหารของวิทยาศาสตร์เหมือนกันพราะั้นก็ดำบินก็ได้ดำน้ำก็ได้เอือดำน้ำเยอะแยะไปตรงนี้เราไปดูแล้วได้ประโยชน์อะไร นอกจากจะมีหากันไปเรืกันไปเพราะทำให้พระพุทธิศาสน์นั่นก็ไม่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วมันจะต้องหอให้คนดูนั่นพระพุทธเจ้าท่านยิงห้ามไม่ให้สแสดงอีกที่ปาฏิหารไปแสดงอีกที่ปาฏิหารเป็นอบัตเป็นอบัตก็ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องในพระสูตรบางบางสูตรนะครับบางบางสูตรก็มีคนไปขอร้องให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาร พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทำไมทาไมจะต้องสแสดงสาธิงานด้วยใ่ในในเกวัตประสูตรเกวัตประสูตรก็ใจพิดกเล่มเก้าใจพิดกภาษาบาลีนะครับเล่มเก้าขอ้อสามร้อยสามสิบแปดถึงสามร้อยห้าสิบอันนี้นก็เป็นเรื่องที่มีคนไปขอร้องให้พระพุทธเจ้ารงแสดงแปดโน้ตว่าเช้าน่งบัด่มง ของเศรษฐีคนหนึ่งที่เมืองนาลันทาแล้วก็มีบุตรของทาปดีคนหนึ่งที่เจวัดเข้าไปเฝ้าขอให้พระองค์หรือภิกษุพระรูปหนึ่งแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพื่อว่าประชาชนชาวเมืองนาลันทาจะได้เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคมากที่พระบิดาก็จัดว่าม่ได้เคยแสดงธรรมเป็นทํานองชัดส่วน ภิสูุทั้งหลายให้แสดงอีกที่ปฏิหา ร, าาหารแต่คาริหัรโดยเจวัตะก็ยังคงจับตูนเช่นนั้นอีกทั้งสองครั้งว่าเพื่อประชาชนทานารันทาซึ่งเริ่มใส่พระผู้มีพรอภาคมากอยู่แล้วจะได้เริ่มใสมากขึ้นอมีได้จำกัดว่าพระพุทธองค์จะต้องทรงแสดงเองเพียงแต่ ว, ว่าขอให้ภิสูุรูปใดรูปหนึ่งแสดงเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็จัดว่ า, ามีปฏิหารอยู่สามอย่างอย่างที่ผมกล่าวแล้วที่นี้นะฮะอัน่สามอย่างนี่จัดว่าทรงรังเกียจปฏิหารสองอย่างเพราะคนทั้งหลายผู้ไม่เลิ่อมใสแต่คนขอดได้ว่าการแสดงฤทธิ์นั้นทำให้ทำได้เฉราะวิชายอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าคันธาดี สมัยนั้นเขาก็เรียนวิชาประเภชนี้กันกันทายจิส่วนการทายใจได้ที่เรียกว่าอาเทศนานั้นก็เขามีวิชาสนิปนึ็นเรียกว่ามานิตามานิตาตัวนอนนอนนอ น, น, อนเล่นนะครับมานิตาซึ่งคนในสมัยโรงนิยมใช้กันอยู่โงสันเสริล น, นิยมอนุสสารเน่ห์ปาติญญาเพราะได้ความสําเร็จประโยน์ได้จื่นเกิดู้ปฏิบัติตา แล้วก็ต่อจากนั้นก็ส่งแสดงศีนสามชั้นโดยจุลศีนศีนน้อยมัดจิน ม, มัดจิมาศีลศีลธรรมกลางและออมหาศีลศีนใหญ่แล้วก็ฌานสี่วิชาแปดจะเจอวัดให้เห็นว่าการได้สำเร็จจริงเหล่านี้เป็นอย่างไรดีกว่าไหมดีกว่าปาฏิหาริย์งรู้แจ้งเห็นจริงมาอย่างไร แต่ก็ไม่ตรงสันเสรินปาฏิญาสองอย่างกันต้นแต่ก็จัดเล่าให้เจวัตตะฟังต่อไปว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในหมู่ทิสุสาวกของพระองค์นี้เองมีทิษุรูปหนึ่งเกิดความคิดขึ้นว่ามหาปูติรูปสี่คือดินน้ำไฟลมย่อมดับไม่เสือในที่ใดนอ เธอเข้าสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมันแล้วรู้ทางไปเทวโลกได้ก็ไปเทวโลกเที่ยวถามเทวดาต่างๆตัง้งแต่ชั้นจตุมาราษฎรถึงชั้นโภคแต่ก็ไม่มีใจรู้เธอก็เข้าไปหาเท้ามาพรหมถามปัหานี้เช่นกันเท้ามาพรหมก็ดึงแขนทิษสูนั้นออกไปพูดัำสองต่อสอ ง, อสองไม่ให้ใจได้ยิน ท่านมหาพรหมก็คิดว่าพวกเทวดาชั้นพรหมเหล่านี้เชื่ใจว่าท่านเอินรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทิศจึงปัญหาที่พิสุนั้นถามท่านไม่รู้ก็พิกสุนอยู่กับพระผู้มีสภาคเจ้าทําไมจึงไม่ทูนถามปัญหานี้กับพระผู้มีสภาคเจ้าเล่าพิสุนั้นได้สติจึงกลับมาจากภูมิโลกมาเข้าพระองค์ทนถามปัญหานั้นพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวเป็นเชิงอุปมา กับเธอว่าพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลเขานำนกหาฝั่งติดเทือไปด้วยเขาเรียกเตือทัศน์ศิลหาเตือทัศน์ิเมื่อไปไกลจนมองไม่เห็นฝั่งอยากเห็นฝั่งอยากรู้ว่าฝั่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ทิศใดเขาก็จะบปล่อยนกหาฝั่งไปนกนั้นเกอบินหนาฝั่งถ้าเจอฝั่งก็จะไม่กลับมาอือ กลับมาสําหรับของเขาอันนี้พราพูทเจ้าจะเล่าอย่างนี้นะครับแต่ไม่ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้ยังมีต่อไปอีกเรื่องที่สุเกวัฏตระเล่นเรื่องของเกวัฏตระไม่กรโทษนะครับเรื่องของบุตรก้าวปดีที่เกวัฏตระที่ไปขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาที่อ่ารนนิย์นะครับ ผมจะเล่าต่อในส่วนนันทานหน้านะครับวันนี้เวลาหมดไปแล้วครับในที่สนี้ก็ขอความสุขความเป็นสุขทั้งทางโลกและทางธรรมคุณมีแต่การรู้สึกทั้งลยโดยทั่วกันสวัสดีครับอดีตครับจันทบุรีจังหวัดสุพครับ ทพียทำจัดมาหาวิทยาลัยมหาคุทวิทยาลัยนะครับปกป้อ น, นังขานครับเวลาเดียวกันเนี้ยครับเวลาสองทุ่มเศษเศษครับตอนนี้ก็สองทุ่มกับเจ็ดนาทีนะครับผมวม่าสิ้นอินทศิลักษ์จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในสายการวิเคราะห์ธรรมนะครับตอนนี้กําลังวิเคราะห์ เรื่องปัญญาปัญาอยู่ปัญญากัญาที่อยู่ในปัะาวัตถุศิษนะครับคราวที่แล้วผมได้คุยสับท่านผู้ฟังถึงเรื่องอ า, อากษณ์ศาสนปาปฏิหารแล้วก็เดินมาถึงเรื่องยินทุกข์สุขข้อหนึ่งที่พระพุทธเจา้า เล่าให้ในายเตวัตผู้ที่ต้องการจะให้พระองค์ทรงสแสดงพิธีปฏิหารเพื่อให้ชาวเมืองนารันธาได้เริ่มใส่ยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงปฏิเสและก็อจักว่าเรื่องพิธีปฏิหารเพื่ อ, อ คนที่มีวิชาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคันธาดีก็ทำได้หรือว่าอาเทศนาปฏิหารด้วยการดักใจเจตนะเสกจันเนี่ยคนที่มีลิชาที่เรียกว่ามณิกาก็ทำได้มันำัำเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการจะให้ทิพซุกแสดงจิตชีปฏิหารเป็นต้น เ, เขาเองก็ไม่ท่งโกร ก็จัดเล่าให้เจวัตตะฟังว่าเรื่องเคยมีมาว่าในหมู่ภิกษุ ส, สาวกของพระ อ, องค์เนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดความคิดขึ้นว่าหมาผู้ใจรูปสื่ดินน้ำไฟลมย่อมดับไม่เหลือในที่ใดแล้วก็เข้าสมาธิเชนิทิโมจิตตั้งมันแลวรู้ทางไปเทวโลกได้ก็เที่ยวไปถามเทวด า, าต่างๆไปจนถึงคม แล้วก็แล้วพระพรมท่านก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าอ อ, อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ทูลถามถาพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ถ้าไป็นสิริมนั้นจึงได้สติแล้ว ก, กลับจากพรหมโลกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปานานั้นพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าจักด จับเป็นรองอุปมากับทิศตัรูปอันว่าพอพ่อค้าที่เดินเรือทางทะเลพเขาจะนํานกหาฟังติดเตี๋วไปด้วยนกชนิดนีงเรียกว่าเตียทัศสีเตี๋ทัศสีก็คือเห็นฟังหรือหาฟัง <c oughs> ไปด้วยแล้วก็เมื่อไปกลางทะเลมองไม่เห็นฟัง่งเขาอยากจะรู้ว่าฟังอยู่ทางไหนเขาก็จะ ไปนกไปถ้านกไปพบฝั่งในทางที่ไปมันก็จะไม่กลับมาถ้าไม่พบฝั่งมันก็จะกลับมาที่เรืออย่างเดิมอันนี้ทวกสือนั้นก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันกบนกหาฝั่งไปเที่ยวทามอะไรต่ออะไรกับใครท่าใครเมื่อไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจอก็กลับมาหาพระพุทาเจ้ากลับม า, าพระองค์เหมือนนกที่กลับม า, าเรือ <c oughs> อ่านเรื่องนี้แล้วก็ทำให้คิดนะครับว่าพุทธบริษัทเราในเมืองไทยนี่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นเหมือนนกหาฟางเพรว่าในการเริ่มตนที่จะจะเข้าหาพุทธศาสนาสนใจพุทธศาสนาต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาก็ไม่รู้จะศึกษาอย่างไรไม่รู้จะเข้าหาที่ไหนไม่รู้จะทาอย่างไร แอคนหน้าก็มักจะไปในทางอิทธิปฏิยานหรือว่ารู้ว่าใครที่มีอะไรแปลก็มีปฏิยานหรือมีอะไรก็แห่ทาไปต่อไปหาดูว่าใครที่รู้กล่าวว่าพระภิกษุรู้ไปหรือใครที่มีท่าทางว่าศักดิ์ศิษยก็ไป นมาจัดการไปบูชาสักการะาะไรกันก็มากมายแต่บางทีก็ไม่ได้รับคําสอนก็เที่ยวไปตามสํานักต่างๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆไปตามสํานักต่างๆแล้วแต่ที่ต้องการคิดว่าจะสนองความอยากไปสนองความต้องการความอยากรู้สนองความอยากรู้อะไรได้ ก็เป็นได้้ๆนกหาวฟังถ้ามายังถ้ายังไม่เจออคําสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าก็ยังเที่ยวแสวงหาอยู่ต่อไปแต่ที่จริงก็บางทีก็อยู่ ใ, ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆด้วความว่าถ้าแสวงหาสำนักของพระพุทธเจ้า เรากงพบเจอตั้งแต่ต้นตๆในความว่าศึกษาและประดับคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงว่าจะนํามาเผยแผ่ที่นำมาถ่ายทอดโดยใครก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเมื่อได้พบแล้วนได้พบแล้วก็ ไ, วไม่ต้องเที่ยวหาต่อไปไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อน ต่อไปก็ได้พบ อ, อสำ น, นักของพระพุทธเจ้าคือว่า อ, อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ต้อง อ, อไม่ต้องฟังคําสอนของคนนั้นผูนี้หรือคนนั้นคนนี้เอเราที่ว่าไปติดอยูดด่กับ อ, อ, อาจารย์บางคนบางพวกใะรสเละแต่ ก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็บางพุทธบริษัทในเมืองไทยเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นในระยะแรกๆก็เที่ยวสแสวงหาเหมือนนกหาฟังอ็เคยมีผู้ศึกษาธรรมบางคนก็นเล่าให้ฟังเหมือนกันพอเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเหมือนนกหาฟังเคอเที่ยวไปตามที่ต่างๆแล้วแต่เขาเจอบอกให้ฟังเขาเล่าเรือกันว่า ที่นั่นดี ท, ดที่นี่ดีที่นอนดีอะไรก็ไปกันเป็นกลุ่มๆไปเสแวงหาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะครับคือว่าก็ไม่น่าจะโทษเขาหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้อ่จะจงๆก็ไปตามเสียงเล่าเลยอค่นี้เมื่อไม่ได้รับความพอใจก็เสวงหาต่อไปจนกว่าจะได้รับความพอใจถึงที่สุดล่ะตรงนี้ละตายแล้ว ได้ได้พบเป็นท no yes, no ี่แท้จรินี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอี่แท้จริงอะไรอย่างนี้บางทีก็หยุดได้ก็เหมือนกับนกหาฟังมัก็เคยเล่าให้ใครต่อใครฟังแล้วบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นนกทัตอนนี้ไม่ได้เป็นนกหาฟังแล้วอืมไปอย่างนั้นเพราจฉะนั้นท่านจะไป เศกษาพุทธศาสนาที่ไหนยังไรอยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่มีใสรว่าแต่ว่ า, วาขอให้คิดพิจารณาให้ดีว่าใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่ า, วาเป็นคำสอนของใครอัน <c oughs> นี้ก็พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านก็จัดแนะนาภิกษุรูปนั้นใีสงร์เราให้หนายเกวัตฟังนะครับจัดนะ อนาำภิก ษ, ษุที่ถามที่ถามว่ามหาพุทธลูปสี่คือดินน้ำลมไฟคือดินน้ำไฟลมนะย่อมดับไม่เหลือในที่ใดพระพุทธเจ้าท่านจับแนะว่าปัญหาอย่างนี้ไม่ควรตั้งคําถามอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับคือว่าถ้าเผื่อครตั้งคําถามไม่ถูกพระองค์ท่านจะบอกว่าให้ตั้งคํมามเสื้อใหม่ตั้งคําถามอย่างนี้ยังตัางไม่ถูก ถ้าตั้งคำถามอย่างนี้ถ้าจะตอบก็ไม่ตรงตามที่มุ่งหมายเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งคําถามเสียใหม่คือแต่งคําถามให้ไม่ได้ไม่ว่าคนตั้งคําถามแต่ว่าจะแต่งคําถามให้บอกว่าอควรจะตั้งคําถามเสียใหม่เสียใหม่ว่ามหาภูตรูปเคยดิมน้ําฝอยลมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ไหนที่ใดท่านท่านใช้ยคําว่า ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดเือ ท, ที่เราถามนี่เราถามว่าย่อมดับไม่นเหลือในที่ใดแต่พระองค์ท่านจะให้หม่ว่าต้องถามว่ามหาพุทธรูปเปลี่ยนน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดแล้วก็อุปาทายรูปเส้นหีเปลี่ย น, นรถในอุปาทายรูปขัดย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใด นีนามและรูปย่อมดับโดยไม่เหลือในที่ใดนี่ถ้าถ้าจะถามว่าดับเคยไม่เหลือในที่ใดก็ควรจะถามว่านามและรูปย่อมดับโดยไม่เหลือในที่ใดะต้องถามอย่างนี้ทีนี้พระวิเทเจ้ากลับสไปว่าเมื่อตั้งปัญหาอย่างนี้ก็จะได้คําตอบดังนี้คือคือธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งดูเจน อันนี้ท่านจะสัมมวิญญาณ น, นะครับวิญญาณ น, นี่แหละธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งรู้แจ้งแสดนไม่ได้เป็นอนันต์มีวัตถุมิรมตรรอบมีวัตถุมิตรรอบดินน้ำไฟลมไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้คือตรวิพานนะครับ น, นี่คือตัวิพานเดี๋ยวผมจะอธิบายเล็กน้อย อุปาทายรูปกาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้นามและรูปดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนามมารูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เหมือนกันค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับนิดนึงทีนี้อผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยครับธรรมชาติอย่างหนึ่งที่รู้แจ้ง คำนี้ก็ใช้คำวิญญาณนังวิญญาณนังอนิทัศนังก็แสดงไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงให้ดูไม่ได้ดไไดดดไไดอนิทัศนังถ้าเผื่แสดงได้ก็เลยนิทัศนังก็คือนิทัศการนั่นเองที่เราใช้คำว่านิทัศการ